สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เก้าสิเพราะฉะนั้นของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสามสิบถึงข้อสามสิบสามครับสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสามสิบถึงข้อสามสิบสามสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดี กระทำให้กระดูกสดชื่นหูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราดบุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำเตือนสติก็ดูหมิ่นตนเองแต่บุคคลผู้สนใจการทักท้วงก็ได้ความเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ พี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ข้อสาสินี้ภาษาไทยก็ททำให้งงครับผมจะอ่านฉบับภาษาอังกฤษนะครับให้ฟัง Smiling faces make you happy and good news make you feel better มีความหมายว่าใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้จิตใจเปล่นปลีและข่าวดีทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส Smiling faces ก็หมายถึงผู้สื่อสารที่มีรอยยิ้มนะครับก็ทําให้ผู้รับสารนั้นแฮปปี้ครับทุกวันนี้การสื่อสารนั้นมันเหมือนจะเบรกดาวคนบางคนนั้นก็ต้องการที่จะสื่อสารอย่างเดียวไม่ต้องการที่จะรับสารใบหน้าที่เขาจะยิ้มแย้มแก่มใสนั้นก็หมดไป พระกะปิใช้คาว่าตาสว่างหมายถึงตาที่ลุกวาวตาที่เป็นประกายเป็นตาที่แสดงถึงความสุขข้างในของคนที่สื่อสารคนที่นำข่าวดีครับตาเขาจะลุกวาวเป็นประกายเหมือนกับสว่างครับถือว่าเป็นการนำข่าวดีมาถึงใจของผู้ฟัง ดังนั้นสายตาหรือการมองนั้นก็จะสื่อสารได้ครับการมองอย่างชื่นชมหรือแม้กระทั่งคําพูดที่หนุนใจคนอื่นนะการหนุนใจคนอื่นนั้นสามารถทําได้ด้วยการมองอย่างชื่นชมก็ได้นะครับพูดรับหลังถึงเขาในสิ่งที่ดีนะครับทั้งคําพูดและการกระทําต่างๆเหล่านี้ะครับจะมีประโยชน์และช่วยเสริมสร้างเราบอกว่าเราสร้างสาวก แต่เราต้องมีจิตใจและก็การหนุนใจที่ดีด้วยเมื่อการหนุนใจเกิดทั้งคําพูดและการกระทําก็จะมีประโยชน์และช่วยเสริมสร้างครับจะนําความปิติยินดีมาถึงผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระเจนะของพระเจ้าบอกว่ากระดูกที่แข็งแรงนะครับกระดูกที่แข็งแรงคืออะไรครับกระดูกที่แข็งแรงก็คือกระดูกสดชื่นกระดูกที่อ้วน นะครับหมายถึงสุขภาพที่ดีและความบริบูรณ์มั่งคั่งสำหรับคนอยู่เพราะฉะนั้นข่าวดีทำให้กระดูกสดชื่นหมายถึงข่าวดีนั้นทำให้สุขภาพดีครับนะครับทำให้เกิดความบริบูรณ์มั่งคั่งดังนั้นแนวคิดในข้อนี้นะครับก็คือข่าวดีส่งเสริมสุขภาพและความมั่งคั่งบริบูรณ์เมื่อเราเปรียบเทียบกับข่าวประเสริฐครับ ข่าประเสริฐนั้นก็เช่นเดียวกันนําไปถึงความรอดนําไปถึงความสุขนําไปถึงความชื่นชมินดีนําไปถึงพระคุณให้กับคนที่ได้ยินได้ฟังและรับข่าวประเสริฐ ด, ด้วยการด้วยความเชื่อต่อไปครับข้อสามสิบเอ็ดถึงข้อสามสิบสามเป็นซีรีส์นะครับก็คือเป็นการเรียงลําดับเงื่อนไขาการเข้าสู่ความเป็นปรารถณที่น้องครับผมเชื่อแน่ว่าเราทุกคนนั้น อยากจะเป็นคนที่รอบรู้อยากจะเป็นคนที่รู้นะครับอยากจะเป็นนักปราศครับนักปราศนั้นต้องการหนึ่งการฟังและทําตามคําสักเตือนในข้อที่สามสิบเอ็ดสองการแก้ไขปรับปรุงตนเองสามความยําเกรงพระเจ้าและความถ่อมใจทั้งหมดนี้อยู่ในข้อที่สามสิบเอ็ดถึงข้อสามสิบสามครับ ผู้ที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราฏบุคคลผู้พวกเฉยต่อคำเตือนสติก็ดูหมิ่นตนเองแต่บุคคลที่สนใจการทักท้วงก็จะได้ความเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติพี่น้องครับผู้ที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตเขาเองจะรับคาตักเตือนนั้นและจะอยู่ท่ามกลางักปาฏ คนที่อยู่นะครับรอบๆหรือว่าคนที่มีนักปราชญ์อยู่รอบๆนะครับเขาจะยอมอยู่ในวงนั้นเพื่อที่เขาจะพัฒนาตัวเองฟังคําตักเตือนครับแต่คนโง่นั้นเดินออกนอกวงนักปราชญ์คนโง่นั้นรับคําตักเตือนรับคําวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้พี่น้องครับนักปราชญ์ในที่นี้หมายถึงคนฉลาดครับและคนมีปัญญา คนมีสติคนที่มีความถ่อมใจคนที่จะเดินทางไปสู่ความสาเร็จและในที่สุดเขาไปถึงความสาเร็จและเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยพี่น้องครับนักปรานันจะไม่ดูถูกคำตักเตือนครับและเขายังต้องพัฒนาในเรื่องของการเชื่อฟังให้มากขึ้นด้วยพี่น้องครับการเชื่อฟังนั้นเกิดจากการถ่อมใจการเชื่อฟังนั้นเกิดจากการพิจารณาตัวเอง การเชื่อฟังนั้นเกิดจากการรู้ว่าศูนย์กลางของสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวฉันแต่เป็นพระเจ้าเป็น God Center ไม่ใช่ I Center ดังนั้นเขาจะยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าครับถ้าเขามีจิตใจที่ถ่อมและรู้ว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของสารพัดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถึงที่สุดข้อสามสิบสองครับบอกว่าการละเลยต่อวินัย ในการตีสอนทําให้เขาสูญเสียถึงชีวิตเพิกเฉยต่อคําเตือนสติก็ดูหมิ่นตนเองพี่น้องครับเขากําลังทําร้ายตัวเองครับเขากําลังเกลียดชังตัวเองคนที่ละเลยต่อวิยัยคนที่ละเลยต่อคําเตือนสติคําเตือนสอนก็กําลังเกลียดชังตัวเองกําลังทําลายตัวเองทําร้ายตัวเองแสดงให้เห็นว่าการละเลยนี้ มีผลถึงตายครับเพราะอะไรครับคําตอบคือเพราะวิเนัยคือชีวิตคําสั่งสอนนั้นคือชีวิตวิในัยเท่ากับคําสั่งสอนดังนั้นการละเลยการสั่งสอนละเลยการตีสอนที่นั่ครับพระเจ้าจะตีสอนเรามากขึ้นเพราะพระเจ้ารักเรานั้นี้ที่สุดนะครับเมื่อตีสอนมากขึ้น ยิ่งไม่ฟังไม่ฟังมากเรื่อยๆในที่สุดเขาอาจจะ ส, สูญเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันครับและก่อนที่เขาจะสูญเสียชีวิตเขาสูญเสียความรอบรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับประสบการณ์ที่สวยงามความรอบรู้ที่เจิดจ้าเจดรริดจรัสนั้นเขาสูญเสียไปนับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งข้อสุดท้ายครับความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้า ไม่ใช่แค่เป็นการเริ่มต้นของความรู้ปัญญาเท่านั้นแต่การยำเกรงพระเจ้านั้นยังสอนให้เรารู้จักพระปัญญาและเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นนำไปสู่ความหวังใจครับความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่การเชื่อฟังความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่การรับใช้ความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่การนับสการที่ถูกต้องนักปราชญ์นั้นเขาจะได้เกียรติเพราะเขามีความยำเกรงพระเจ้าเขาจะได้ปัญญาและความ ถ่อมใจซึ่งจะทําให้เขาได้รับเกียรติยศในที่สุดเพราะความถ่อมใจนั้นเดินอยู่นําหน้าเกียรติครับความถ่อมใจทําให้เขายำเกรงพระเจ้าเมื่อเขายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะยกชูเขาขึ้นเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกันความถ่อมใจคือความเต็มใจที่จะถ่อมตัวลงจมเพาะพระพักพระเจ้าครับ และให้พระเจ้ของพระองค์เป็นเครื่องมือนําทางโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําทางเราไปถึงเป้าหมายความจำเกลิงพระเจ้านั้นที่แท้จริงนั้นก็มีหลักคําสอนที่นะครับมาจากคําสอนที่มีหลักและใจที่เชื่อฟังก็จําเป็นสาหรับคนที่ถ่อมใจพินังครับการสื่อสารนั้นผู้ที่รับผิดชอบนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายครับไม่ใช่แค่ผู้บรรยายหรือผู้ส่งสารฝ่ายเดียว แต่เป็นภารกิจเป็นพันธะของผู้เรียนหรือผู้รับสารจะต้องระหนักตระหนักถึงความจําเป็นในการเรียนรู้ด้วยหูที่เชื่อฟังด้วยการนับถือผู้ที่กําลังสื่อสารส่งสารอยู่นั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจและนํามาชื่นการพัฒนาตัวเองในที่สุดอันจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนอาเมน